สวัสดีครับพี่น้องครับเช้าวนาันอาทิตย์นี่คือเสียงจากสี่บานะครับคิพริยาูตอนที่หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดข้อแกะตอนที่หนึ่งครับพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็อยู่ในพระธรรมยอนบทที่สิบยอนบทที่สิบข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่หกครับโประฟังพระเจ้า เราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ที่มิได้เข้าไปในครอแกะทางประตูแต่ปีนเข้าไปทางอื่นเป็นขโมยและโจรแต่ผู้ที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะนายประตูจึงเปิดประตูให้ผู้นั้นแกะย่อมฟังเสียงของท่านท่านเรียกชื่อแกะของท่านและนำออกไปเมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปหมดแล้วก็เดินนาหน้า และแกะก็ตามท่านไปเพราะรู้จักเสียงของท่านส่วนผู้อื่นแกะจะไม่ตามเลยแต่จะหนีไปจากเขาเพราะไม่รู้จักเสียงของผู้อื่นทาเปรียบนั้นพระเยซูได้ตรัสกับเขาทั้งหลายแต่เขาไม่เข้าใจความหมายของพระดํำรัสที่พรองคตรัสกับเขาเลยพี่น้องครับ พ, พระเจ้าในเช้าวาันพรุ่งนี้ก็เรียกร้องให้เราที่จะตรวจดู ตรวดูสภาพของเราตรวดูชีวิตของเราว่าเราเป็นลูกแกะของพระเจ้าและพระเยซูเองนั้นเป็นผู้เลี้ยงแก่และพระองค์ก็บอกว่าเราเป็นประตูของแกะทั้งหลายในข้อที่เจ็ดพี่น้องครับถ้ า, ากว่าเราดูในบริบทจากบทที่เก้าเรารู้ว่าจุดเริ่มต้นของคําอุปมาเรื่องคออแกะหรือแกะแล้วก็คอก นะครับอยู่ในเยรูซาเล็มครับพระเยซูเสด็จมาร่วมเทศกาลอยู่เพิงนะครับหรือเทศกาลอยู่เพิงนั้นมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าสุคตนะครับซึ่งมาจากคําว่าซุกกาเป็นภาษาฮิบรูครับแปลว่าเพิงครับเทศกาลอยู่เพิงนั้นจัดขึ้นเป็นเวลา8วันนี่กันตอนปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคมครับ เพราะนี่เป็นเทศกาลหนึ่งในสามที่ยิ่งใหญ่นะทุกๆปีนั้นผู้ชายชาวยิวที่มีอายุ12คนจะต้องเข้าร่วมหนึ่งในสามเทศกาลนี้นะครับเทศกาลแรกก็คือเทศกาลปสาัสกาเทศกาลที่สองก็คือเทศกาลเทนเท็สเตนะครับและเทศกาลสุดท้ายก็คือเทศกาลอยูุ่ธย์ครับเป็นเทศกาลประจ า, าชาติเทศกาลที่พวกเขาจะต้องไปร่วมไร้ พี่น้องครับเทศการนี้เป็นเทศการอยู่เพิงนี่เป็นเทศการที่ร ะ, ะลึกถึงการเดินทางในถิ่นละกันดานเดี๋ยวอบอพยพนะครับจากอียิปต์นะครั บ, ปรบเป็นเวลาที่สาวอิสราเอลต้องอาศัยอยู่ในเต้นถึงสี่สิบปีครับและเต้นก็คือเพิงและเต้นก็คือกระโจมและในที่สุดเต้นนั้นก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยคำสั่งของพระเจ้า ให้เป็นพัพปลาครับพับพปลาพัพปลาก็คือเต้นเหมือนกันนะครับแต่เป็นเต้นที่เป็นที่สถิตเป็นที่อยู่ของพระผู้เป็นเจ้าท่ามกลางคนอิสราเอลถึง40ปีพี่น้องครับในระหว่างเทศกาลนี้ประชาชนจะทำเพลิงจากกิ่งไม้ครับและอาศัยอยู่ในเพลิงเหล่านี้ตลอดเทศกาล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงแปดวันของเทศกาลอยู่เพิงนี้ได้บันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่เจ็ดถึงบทที่สิบครับถ้าพี่น้องตอนเย็นๆนะครับหรือเช้านี้มีเวลาเตรียมตัวก่อนไปโบสถ์อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสอ่านในบทที่สิบตลอดครับแต่ว่าท่านมีเวลามากกว่านี้ท่านอาจจะอ่านตั้งแต่บทที่เจ็ดถึงบทที่สิบเลยนะครับเราจะเห็นคำสอนของพระเยซูซึ่งพระเยซูได้ทรง ปฏิบัติพระราชกิจรับใช้พระเจ้าในเทศกาลอยู่เพลิงนี้ตั้งแต่บทที่เจ็ดถึงบทที่สิบของพระธรรมยอห์นครับเพียงครับ hmm. จากบริบทในบทที่เ้าเราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นกำลังเสร็จจากการรักษาชายตาบอดครับแต่พวกปริสีก็เป็นประเภทที่ว่าไม่สนใจว่าชายคนนี้จะได้รับการรักษาหรือเปล่านะครับพวกเขาก็ไล่อใชคําว่าโยนชายคนนี้ ออกมาจากข้อพิหารไล่ออกจากศาสนาเลยครับเพราะเขาพูดกันว่าเขาพูดว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเยชูนะเป็นพระบุตรของพระเจ้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับองค์ทรงเป็นแต่พวกฟริสีรับไม่ได้ครับดังนั้นพระเยชูก็เลยเล่าเรื่องเป็นตัวอย่างว่าประชาชนสามารถจะมาถึงพระองค์ได้อย่างไรนะครับประชาชนจะเข้าครอบได้อย่างไร คงเป็นประตูครับคงเป็นประตูที่จะนําหรือเป็นทางนั้นที่จะนําแกะของพระองค์เขา้าข้อครับข้อแกะในข้อที่หนึ่งนั้นเป็นที่ที่ขังแกะไว้ในตอนคืนมีประตูเข้าทางเดียวครับใครก็ตามที่เข้ามาโดยเป็นปีนฝ่าเข้ามาหรือเป็นการที่ว่าละเมิดล่วงล่วงละเมิดเข้ามา ก็ถือว่าเป็นขโมยนะครับเข้ามาอย่างลับๆก็ถือว่าเป็นขโมยให้เราสังเกตในข้อที่สามนะครับว่าจะมีนายประตูด้วยนายประตูนะครับนายประตูคุมประตูอยู่บุคคล น, นี้เจ้าของแกะหรือผู้เลี้ยงเงินจะให้แกะนะครับตั้งให้ดูแลแกะที่อยู่ในข้อจนกว่าผู้เลี้ยงแกะจะมาหาแกะของเขาขโมยมานี้เราเห็นว่ามีผู้เลี้ยงแกะเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับ และแกะก็รู้จักเสียงของผู้เลี้ยงและผู้เลี้ยงก็รู้จักชื่อของแกะแต่ตัวถ้ามีคนแปลกหน้าเข้ามาเรียกชื่อแกะนะครับแกะก็จะไม่ตามไปพี่น้องครับในเช้าวันนี้เมื่อผมได้เตรียมบทเปลี่ยนนี้พี่น้องครับมีความรู้สึกว่าอยากจะได้ยินเสียงพระเยซูเรียกชื่อของผมเหลือเกินนะครับก็คิดถึงเพลงเพลงหนึ่งครับ คันเรียกชื่อที่เมืองกเกษมสุขเพลงนี้ร้องง่ายหลายๆคนชอบร้องนะครับเพราะจังหวะดีจังหวะคขัดจับกระเฉงและรื่นเรองคันเรียกชื่อที่เมืองกเกษมสุขคันเรียกชื่อที่เมืองกเกษมสุขคันเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุขคันเรียกชื่อบองบนิ้วคาก็อยู่ที่นั้นพี่น้องครับ มีวันหนึ่งครับเราจะได้ยินเสียงเรียกจากผู้เลี้ยงของเราก็คือพระเรยซูครับที่เบื้องบนนั้นเมื่อเรียกชื่อที่เมืองกระแสมสุขก็คือเมืองบ ร, รมสุขเกษมครับชื่อของข่าอีกนัน่หมายความว่าเราได้เข้าในข้อแกะอันถาวรครับที่พระเมสสโภดกผู้เลี้ยงของเราพระผู้เลี้ยงของเราก็จะเลี้ยงดูเราตลอดกาลพี่น้องครับ ก็เป็ศาสนานั้ น, เ ป, เ, เ, นเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์นะครับเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์การเรียกชื่อนั้นแสดงว่าผู้เลี้ยงรู้แกะรู้จักรู้จักจักแกะของเราแกะขององค์พระองค์นะครับแกะของพระองค์ก็รู้จักผู้เลี้ยงและนี่คือความคุ้นเคยครับความสัมพันธ์นี้นำไปถึงการรู้จักเกิดจากการรู้จักและเกิดจากความคุ้นเคยนี่คือความสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นแกะของพระเจ้าเราจะคุ้นเคยกับเสียงของพระเจ้าหรือเปล่าการคุ้นเคยเกิดเสียงของพระเจ้านั้นก็เกิดจากการที่เราต้องผ่านพรชนะของพระเจ้าเมื่อเราได้เ ห, เห็นเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเราได้ยินคำบางสิ่งบางอย่างหรือการแนะนําบางสิ่งบางอย่างเราจะคุ้นเคยกับว่านี่คือเสียงของพระเจ้าที่เรียกเราผ่านทางบุคคลทั้งหลายผ่านทางสถานการณ์แวดล้อม ผ่านการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวันในชีวิตพี่น้องครับหากจะเราจะเปิดหูใฝ่วิญยาณนของเราเราจะได้ยินเสียงของผู้เลี้ยงของเราทุกๆวันเสียงของผู้เลี้ยงของเรานั้นอาจจะามาไม่เสียงจริงๆหรืออาจจะมาเป็นสถานการณ์แวดล้อมอาจจะมาผ่านผู้รับใช้คนอื่นๆหรือผ่านเหตุการณ์อื่นๆหรือผ่านคนบางคนทำให้เราได้ยิน ผสูดเสียงของพระเจ้านั่นเป็นน้ำวัไทยของพระเจ้าที่โปร่งได้สำแดงให้กับเราเพราะฉะนั้นหากเรามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นพอลึกซึ้งพอเราจะรู้ได้อ่า น, นี้ไม่มีใครสามารถที่จะสอนเราได้ชัดเจนแต่ว่านี่เป็นความสัมพันธ์เมื่อเราได้ยินเสียงของผู้เลี้ยงของเราเราก็จะรู้ว่านี่คือเสียงของท่านเสียงของพระองค์เมื่อเราได้ยิน และเราก็จะคุ้นเคยครับและเราจะตามท่านพี่น้องครับแม่ก็ยด้บบอกว่าคาเปลี่ยนน้ำพระเยะซูทร่กับกับเขาทั้งหลายแต่เขายังไม่เข้าใจความหมายเพราะอะไรครับเพราะเขายังเป็นลูกศิษย์เป็นสาวกของพระเยะซูแต่ยังไม่คุ้นเคยกับโปรมากนักครับสองสามปีที่ใช้เวลากับพระเยะซูเขาจะต้องยอมรับเสียก่อนว่าเขาเป็นคนบาป เขาเป็นผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้และเขาต้องมีพระเยซูและยอมรับ ว, ว่าเปเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเปเยซูเป็นเจ้าของชีวิตของเขาเปเยซูไม่ใช่เป็นศาสดา ห, หรือเป็นครูหรือเป็นอาจารย์แต่ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเปยซูทรงช่วยได้และพระเยซูรู้จักเขาพฟงปฎถนาที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเขาเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับพระเยซูรู้จักเราเปเยซูเรียกเราและเลือกเราไว้เราจะต้องตอบสนองต่อการเรียก การเลือกของพระเยซูและเราจะต้องตอบสนองไปถึงที่สุดก็คือเชื่อฟังพระเยซูเพี่งครับการเชื่อฟังพระเยซูนั้นแสดงออกถึงการคุ้นเคยการที่เรารู้จักเพราะฉะนั้นเราตามพระองค์ครับในวันพรุ่งนี้เราจะดูต่อไปนะครับในข้อที่เจ็ดจนถึงข้อที่สิบแปดครับพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจมากเพราะว่านอกจากที่พระเยซูบอกว่าทรงเป็นประตูของแกะ ปีอัสซูบอกว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีพรุ่งนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าข้อแกะสองนะครับพูดถึงผู้เลี้ยงที่ดีครับในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านในการรับใช้พระเจ้าในวาระคิดแต่ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องททุกท่านที่จะเป็นแกะซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้เลี้ยงอย่างลึกซึ้งและแน่นแฟ้นทําให้เราทั้งหลายคุ้นเคยและเราจะรู้น้ําันไก่ของพระเจ้าต่อไปอาเมน